หอมบอให้ลูกหลานฟังคักๆบ่ได้บ่ได้ให้เที่ยวดาวฟังวัไปเที่ยวดาวเพื่นชีฟังกับชุดแทแต่เห็นลูกหลานนางฟังกับบอหลดน้าใช้ไม่ให้ได้ยินชัดเจนพอนันเอ็มพี่สามของหงพรเนี่ยทุกแผนพูดเร็วเสียงชัดแต่ว่าเนื้อหาสารานั้นอันนั้นตามสไตล์ของไผของมันวันนันสไตล์ลงพรออินไปมีทั้งชาดกมีทั้งยังคบวัดนไปยุ่งหันวาออแต่ก็เป็นที่ น, นั้นก็ได้ละแังหมื่ว่านหมู่กอนนะสองตายยา่มาจากจังหวัดเชียงใหม่อายุเจ็ิบกว่าละเป็นดอกเตอร์ทั้งครูด้เป็นดอกเตอร์ทั้งครูจบจากจุฬาปนะ่ะทางานลกพนลูกชิดลงตาแล้วเกษียณ ล, ะ ล, ะละ่ะบนีอายุเจิบกว่าดิฉันเป็นลูกชิดลงตามายี่สิบกว่าปีด้านในลงตาให้เทพแล้วก็ให้ประวัติปฏิปทาพุทธรงกรรมฐานประวัติดิฉันไปอ่าน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 องค์นี้บ่เข้าใจว่าท่านเอี่ยถึงได้ต้องไปกราบขึ้นให้ได้เราสันลูกปูไทยองค์หนึ่งลูงพอินนี่องค์หนึ่งว่า่นเลยฟังเขาใจว่า่นเนี่ว่าเมื่อว่านี่ยโพโลกทะเลมหาลงพ่อเนี่ยท่านอาจารย์เนี่ยพอบ้านของดิฉันนี่ฟังเทศลงพ่อนี่เข้าใจว่า่นวฟังเทศลงตาบ่เข้าใจว่า่นหวสร้างวาแต่ทนี่ว่าแต่ในที่น้เรามาหลายคนคือกันนะในทีนมาหลายคนคือทาฟังเทศลงตาโดยมาลงตาเทศ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 มันเขาโคโ้งปวดไปทั้งซื้อเขาก็บว่ามีมีอวมนุตมีพวกหยักเ ป, ปิดทำไงเคยดักกลินคนมาเฮ้าเคยมีอาวุธทั้งครบปานเอท่าจิไปย์ยานยังวะแต่ไรก็จะไปล่องาอาวุธปังจักรกลข้าวเหนียวกันกเลยเดินทางมาทางหลัดพ่อมากระมักเกิดเขามาหอดกลางตรงเลยเฮติหลีบานีหยักตนนั้นอะไก็มาออกมากขวางทางเดีวไปพ่อมาเอาเอ้ยมาไล่กัไปไหนเดียวเน่ย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 เธอน่ลูลิดของขาวไปเจ้านอยไปสันเนขาวไปเจ้ามีอาวุธทั้งหาที่จะสังหารท่านใดกันแล้วกันนี่กน้าสันนี่แต่ทางยกยากเอาเอาเลยสันนขึ้นนั่นมาสันอ ย, ยากไปไม่ยาขนเหนียวมาเนี่ขนเหย้าลไปซุยลุยอยน่ไปตอนนี้ก็ถอดตะนูออกมากกับโกงเต็มที่เราลไปอาบยาพิษอีกต่างหากตามหลักวิชาของอาจารย์สอนให้เรานไปใสหนาวจะก็ตก๊กมาเนี ไปติดจุขนหยากเหมือนมันขนมันเหนียวเดยหอยตรงแหลงอยนเลยยิ่งแบบรั่วเร่วเลยหายซีบดอกเลยมดแข่งแสงวันเไปโอ้บ่ออะไรมันไปติดตะคนขนมันเออพอยิ่งเสร็จแล้วกระโดดออกมาอีกยักกระน้เขอกมาอีกเมื่อ่าเขามากแ้วสันดาบกูมีน้าสันเนี้ยหยักกยังยากอมาโดดขกมาเอาดาบไปฟันวนเลยเออพ่อดาบฟันเสร็จแล้ว ดาไปติดจุอยากกี่คนออกไปโ ต, ตโตเอกคนไปเดี๋ยวเอาหอกกนี่ยมึงอยามาไกลนะหอกกุมีดาวกุศลกู้ศีมึงพุ่งมึงทะลุกล็แ ล, ล้วกันอยากกากอาอกีเอกไปติดขนอีกพนชวกันขอนตะพดแล้วบาดกูจีตีนะแข่งมึงบาดนเนี่ยมึงขามากกลมัดไปมดไปได้ได้เป็นอาวุธอาวุธที่มันเก่งกนไปเอาไว้หออนตีตีเต็เต็ดมึงอยากเข้ามาแมามา กูกำปั่นกูมีอีกนะวะท่านเนี่เอเขาม้าเลยถ้ากำปั่นตีกันตีก็เต๊ะกระปั่นใส่กรปั่นขวาเอาหนัาแข้งสัดก็อีกเต๊ะหน้าแข้งเอาปา ก, กั่ตีวนออกไปไปบ๊บย่อมถอยวนออไปเออเนี่ยแหละเฮ็ดยังคือกันเลยบ้านนี้พ่อยักป้าโทรท่นมันป่านนี่ท่านกูเคยกินคนมานนี่กบานมันบป่านนี้นะวะ่านพ่อเห็นว่านักก็จะน้อก็ตาเหลือกเราท่นเออตายทั้งเป็นเราท่านเนี่ย อันนี้มั่สัางเก่งปณิถ์เท่าันยังคุวยอีกเด้เมื่อจะกินกูนายักเท่านันแต่กานเมื่อกินกูเน่เมื่อนาไในกูนี่มีมีของกายยัิสเท่าทันถ้าเมื่อกินกูเข้าไปเน่มื่อท่องเมื่อกะเพาะเมื่อทะลุเรื่อยะเท่าทันเนี่เออคูสัยยาเกี่วเนถ้ามื่อกินกูเข้าไปเมื่อกะเพาะมึ่อทะลุเลยแล้วแต่มึ่ตายเลย่อยๆวท่ันเนีการมึ่คืนกินกูท่ อยากมัน ก, ก็ร์ยานตายกันเดียวเดไปพุทธูครูมันเห็นมันโมนเคยเห็นป่ะเนี่ยโอ้โถโถโถเจ้าสะไปใส่ออืผมจะไปกรุงพระนาศีเออเลาไม่เคยเห็นคนที่กล้าถึงขนาดนี้เลยเจานี่สูงถึงขนาดนี้เลยถ้าเล่าคื่นกินแก่เนี่ยข้าเนี่ยจะต้องถูกบาปกรรมอีกต่างหาดแล้วอาจจะเป็นผิดอย่างเถอะนะมันว่าผิดขึ้นยังไงกิน ถ้ากินเหล้าเข้าไปเนี่ยกินเพชรเนาะสันเนี่ยเพชรมันจะตัดกระเพาะของเธอนาะเพิร์บอวันในเพชรนี่คือปัญญาของเฮ้าคนเอพราะผู้บริษัทพูดว่าเพชรนี่คือปัญญาของเฮ้าสันคนว่าเนี่แหละมันต้องสู้สันเนี่ยสู้จนสุดความสามารถพลอยนั้นพวกทันทั้งหลายจะเป็นพระเป็นโยมก็ตามอย่าไปทําหมืนยังอ่อนออนออยออออเอ็มให้ได้แต่ต้องสู้เกิดมาต้องสู้พอแห้งแล้วสันะไปสู้บด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 ว่าส่วนนามพระถ้ำคือจิตใจนั่นนะอ่าคือนามพระถ้ำนะคือจิตใจออกจากรดออกจากล่างนะตัวนั้นสําคัญเลยพระพุทธเจ้าพูดว่าเนี่ตัวนั้นเน่ยเป็นตที่พระพุทธเจ้าให้ความสนใจให้ความสนใจอย่างมากเรื่องหนามพระถ้ำเรื่องตัวผู้รู้เนี่ยคือนามพระถ้ำเนี่ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจไอ้มาโนภูพังขามาธร ม, มาเป็นบาลี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 แต่ละแห่งแต่ละหนมันคล้ายๆกันว่ามันเป็นคืนไผ่คืนมั่นขึ้นกันขั้นหมุนถึงคืนจึงจงรู้จับพระพุทธเจ้าเพลิ น, น่มีวิทยุหลายคืนในของเพลินพอเพลินบำเพ็ญมาแล้ววิทยุพระพุทธเจ้าในหลายคืนหมุนไปเบิงเท ว, วดาหมุนไปสู่พรมอหมุนไปเบิงเปรตเป็นสัตว์ที่รชานตกนรกหมุนไปเบงเห็นมอดพาะ ว, วิทยุของเพลินมันคืนเดินเข่าได้กับทุกคืนหันไปอพวกห่อคืนไผ่คืนมัน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 เมื่อรถคันนี้พังเฮาก็จะติดสื่อรถคันอื่นอามาไวใส่อกีกการว่าโซเฟอร์มีความคิดยังสั่นนะโซเฟอร์คนนั้นเกิดพอรถคันนี้พังก์บ่ตกถูกไดอยา ก, กแต่บางโซเฟอร์บางคนอย่างบ่อเชื่ออีกต่างหากว่นเอาไปบ่อเชื่อไปรถจะของสีพังกันาไปแต่ันก็ใส่ไปกูใส่ไปทั้งสิ่งละกบได้คืดว่าปูยาตายา่ายปูถวดของเฮาหมู่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 คนที่มีบุญคือคนที่ไปไปแล้วก็คือคนที่มีเงินติดกระเป๋าอะไรบ้างอ้หลวงวิญญาณอนะมีเงินติดกระเป๋าเต็มเป็นมิตรเพชรนิน่จีนดาทั้งหมดทิ่ไปไสก็ได้บานอสิไปประเทศไดก็ได้จะไปเกิดไสก็ไดเ้เพราะใดเพราะคนมีบุญเพราะคนมีเงินกันว่าคนบมีเงินเนี่ยออกจากล่างไปแล้วเฮ็ุจากไหนบ้าง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 อย่าไปหาแนวขี่ไล่ขี่เลใ่ใเจ้าของนะหาแนวดีๆนะนี่ยใจเจ้าของหาบุญหากุศลใจเจ้าของแนวมันฏ์บทียาหาใจเจ้าของอนะไปเนี่ยพอเข้าเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาพบพ่อแม่ผู้บ่ายจาันเพิ่นมิตรสอนให้เข้าทําดีเด้ออย่าตั้งอยู่ในความประมาทและลูกหลานเน้อตายแล้วบิดศูนเน้อนรกสวรรค์มีจริงอีหลีเด้ขันพวกลูกหลานอยากหุ่นจักว่านรกสวรรค์ตายแล้วเกิดตายแล้วศูญให้ดังภาะวนาเน้อ ถ้าลูกหลานนางภาวนาจิตใจสงบร่วมลงเป็นหนึ่งเ่ะจะหูวงจักไดเลยร่างกายครับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันคือการลดกับคนขขาลดจังสลระนะเปิดถึงหูวงจักเลยเ่ยเพราะนั้นไอ้พวกเข้าฟังฟังไวถึงเหตุปุรัยไก่ฟังไวว่าลงไปะทดลองบ้างอีกไห้นัางภาวนาบ้างอีกเพอเผิอบุญวาสนาบารมีของเข้าเก่าแก่มีนางภาวนาจิตใจสงบวพวกเข้าจะรู้ได้ด้วยตนเองเลยบาดเนี่เออแมนอิลี